ปรากฏการในขณะทำสมาธิถ้าหากท่านจะบริกรรมภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็ให้ตั้งจิตอธิษฐานภายในใจของตัวเองว่าบาัดนี้ฉันจะทำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อจะให้รู้แจ้งทั้งตลอดตามสภาวะธรรมตามความเป็นจริงแล้วก็นึกในใจของตัวเองว่าพุโทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ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 ถ้าจิตมีอาการเคลิมเคลิมลงไปคล้ายกับจะง่วงนอนก็ให้พึงรู้เธอว่าจิตของเรากำลังจะเริ่มสงบแล้วเพราะจิตที่จะสงบในเบื้องต้นนั้นถ้าจะว่ากันอย่างตรงไปตรงมาก็คืออาการนอนหลับเพราะจิตเมื่อจะสงบก็มีอาการเคลิมเคลิมแล้วก็วูบลงไปพอวูบลงไปก็หยุดวูบและจิตจะนิ่งในเมื่อจิตนิ่งแล้วถ้าหาจิตจะนอนหลับ มันก็หลับมืดไปเลยถ้าหากว่าจิตจะเป็นสมาธิพอวูบลงไปนิ่งแล้วจิตก็จะมีอาการสว่างขึ้นมาซึ่งทั้งนี้มิใช่ว่าจะเป็นในลนักษณะอย่างเดียวกันทั้งหมดบางท่านก็รู้สึกว่ามีกายเบาจิตก็เบาแล้วจิตก็ก้าวเข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยทีละน้อ ย, อยไม่มีอาการวูบวาบ จนกระทั่งจิตสงบแน่นิ่งไปจนถึงขั้นอัปปนาสมาธิแต่ส่วนมากในช่วงนี้ถ้าเกี่ยวกับเรื่องบริกรรมภาวนานั้นเมื่อจิตมีอาการเคลิ้ ม, มสงบลงไปมีอาการสว่างขึ้นแล้วคำบริกรรมภาวนาที่นึกอยู่นั้นจะหายไปในเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปนึกถึงคาบริกรรมภาวนาอีก ในตอนนี้ให้ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้อยู่ที่จิตของตัวเองถ้าหาจิตมีอาการสงบนิ่งสว่างอยู่เฉยๆก็กำหนดรู้ลงที่นั้นอย่างเดียวแต่ถ้าในช่วงนั้นถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึกก็ให้กำหนดรู้ลมหายใจตามรู้ลมหายใจเพียงแต่รู้เท่านั้นอย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้นลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องว่า ลมหายใจยาวก็ไม่ต้องว่าลมเข้าสั้นก็ไม่ต้องว่าลมเข้ายาวก็ไม่ต้องว่าเป็นแต่เพียงกำหนดรู้ลมหายใจอยู่โดยธรรมชาติแล้วอย่าไปแต่งลมหายใจเป็นอันขาดในช่วงนี้เพียงแต่กำหนดรู้อยู่เท่านั้นถ้าหากว่าเรากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจถ้าหากลมหายใจแสดงไปในอาการต่างๆเช่นลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงขึ้น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 จิตก็ถอนจากสมาธิภาพนิมิต ท, ทั้งหลายนั้นก็หายไปอันนี้ไม่ค่อยจะร้ายแรงเท่าไรนักแต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้โดยสำคัญว่าภาพนิมิต ท, ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อจะดลบันดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบให้เกิดความรู้และบางทีเราอาจจะเผลอเผลอน้อมรับเอาสิ่งนั้น เข้ามาสิงสู่อยู่ในตัวของเราและสภาพจิตของเราจะกลายเป็นในลักษณะที่เรียกว่าสภาพผีสิงนี้ถ้าหากเราไปสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาหรือเป็นสิ่งอื่นขึ้นมาโดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าหากไปมองเห็นภาพนิมิตของผู้ที่เราเข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษมาปรากฏกายใหเรามองเห็นแล้วเราอาจจะน้อมเอาภาพนิมิตนั้นให้เข้ามาสู่ตัวของเรา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 เราไม่ได้มุ่งให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยโดนบันดาลให้เราเป็นผู้รู้ผู้เห็นเราต้องการจะทำให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิโดยความเป็นอิสระของจิตเองถ้าหาจิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมาก็เป็นสมถภาพของจิตเองไม่ใช่สิ่งอื่นบันดาลเพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาธรรมะและนักปฏิบัติทั้งหลาย พึงทำความเข้าใจในเรื่องนิมิตต่างๆถ้าหากว่าท่านไม่ไปเอะใจหรือไม่ไปสำคัญว่านิมิตต่างๆซึ่งไปปรากฏขึ้นนั้นเป็นสิ่งอื่นมาดลบดานให้เรารูเราเห็นทำความรู้สึกว่าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเราจิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาเพราะเรามีความสำคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็น ในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็นพอจิตสงบเคลิมลงไปอยู่ในระดับแห่งอุปจารสมาธิในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนักถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมาถ้าหากเราสามารถกำหนดจดจอ่อรู้ลงที่จิตอย่างเดียวโดยไม่สำคัญมั่นหมายในนิมิตต่างๆภาพนิมิตจะเป็นอุปกรณ์การปฏิบัติของท่านผู้มีสติปัญญา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 ให้เรารู้เห็นก็ได้ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะสามารถทำสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นและเมื่อสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้นแล้วจิตก็จะสงบรวมตัวสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอัปปนาสมาธิ เรื่องปัญหาอัปนาสมาธินั้นบางท่านอาจจะเข้าใจว่าอัปนาสมาธิคือความเป็นหนึ่งของจิตหรือเอกาคตาจิตไม่สามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นได้จริงอยู่ผู้ปฏิบัติในขั้นต้นจะเป็นการบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจะเป็นการพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบลงไปนิ่งอยู่ในความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกาคตา ในช่วงต้นๆ น, นี้จิตอาจจะไม่สามารถบรรดาที่เกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาได้แต่ถ้าหากว่าท่านผู้นั้นเคยพิจารณากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งจนชำนิชำนาญด้วยการน้อมนึกคิดแล้วเมื่อจิตนิ่งไปเป็นอัปปนาสมาธิจิตก็จะสามารถบรรดาที่เกิดความรู้ความเห็นในภูมิจิตภูมิธรรมขึ้นมาได้ดังนั้นเราจึงสามารถแบ่งขั้นของอัปปนาสมาธิ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 ก็จะแสดงกิริยาเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้นั้นพิจารณาอาสุภกรรมฐานมาจนชำนิชำนาญด้วยการน้อมนึกจิตก็จะสามารถรู้เรื่องอสุภกรรมฐานโดยอัตโนมัติโดยที่กายที่มองเห็นอยู่นั้นจะแสดงอาการขึ้นอืดแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลเนื้อหนังหลุดออกไปเป็นชิ้นและยังเหลือแต่โครงกระดูกในที่สุดโครงกระดูก ก็จะแหลกละเอียดลงไปเป็นจุนไปแล้วก็หายไปนในที่สุดเหลือแต่ความว่างในเมื่อจิตว่างแล้วจิตก็จะสามารถก่อตัวรู้เรื่องของโครงกระดูกซึ่งจะมาประสานกันเป็นโครงกระดูกแล้วก็จะเกิดมีเนื้อมีหนังกลับคืนมาอยู่ในสภาพเป็นร่างสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าจะมีอาการเป็นไปกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาจากสมาธิ และในขณะที่จิตรู้เห็นนั้นจะมีลักษณะคล้ายๆกับว่ารู้เห็นด้วยทางจิตอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาส่วนกายคือไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาส่วนตาเป็นความรู้ความเห็นของจิตล้วนๆแต่ถ้าหากท่านผู้เคยพิจารณาธาตุกรรมฐานก็จะมองเห็นร่างกายนี้แหลกละลายลงเป็นดินเป็นน้ำเป็นลม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 ซึ่งสุดลักแต่จิตจะปรุงขึ้นมาแต่ความปรุงแต่งในขั้นนี้จิตกับสิ่งที่รู้เห็นนั้นคล้ายกับว่าไม่มีความสัมพันธ์กันเลยในตอนนี้จิตกับสิ่งที่รู้แยกกันออกเป็นคนละส่วนสิ่งที่รู้นั้นก็แยกอยู่ส่วนหนึ่งตัวผู้รู้ก็คือจิตนั้นก็อยู่ส่วนหนึ่งและส่วนความเปลี่ยนแปลงที่มันจะแสดงไปในลนักษณะ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 จิตก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับว่าสิ่งที่รู้อยู่อีกส่วนหนึ่งและตัวผู้รู้คือจิตนั้นแยกเอกเทศเป็นส่วนหนึ่งในตอนนี้เรียกว่าจิตกับอารมณ์สามารถแยกออกจากกันคนละส่วนก็ได้อันนี้คือลักษณะปรากฏการที่จะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติเริ่มต้นแต่บริกรรมภาวนา หรือในขั้นพิจารณาอสุภะกรรมฐานธาตุกรรมฐานหรือพิจารณาพระไตรลักษณ์ในขั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเรียกว่าขั้นวิปัสนาขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายพึงทําความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้ถ้าหากสมมุติว่าเราจะไม่พิจารณาอะไรละ เป็นเพียงแค่ว่าเราจะบริกรรมภาวนาให้จิตสงบอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจิตของเราสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิปัญนาได้หรือไม่อันนี้ขอตอบว่าสามารถที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิปัญนาได้โดยที่ผู้บริกรรมภาวนาทําจิตให้สงบนิ่งลงไปเริ่มต้นจะอุปจารสมาธิจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิ สมาธิในลักษณะที่จิตนิ่งอยู่ในจุดเดียวไม่มีสิ่งที่รู้ปรากฏขึ้นในจิตมีการสงบจิตมีลักษณะนิ่งและสว่างสวัยอยู่ในความรู้สึกอย่างเดียวความรู้สึกอื่นๆไม่เกิดขึ้นเมื่อเป็นเช่นนั้นวิปัสสนากรรมฐานเกิดขึ้นได้อย่างไรวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตถอนออกจากความเป็นเช่นนั้นแล้วมาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมา ผู้ปฏิบัติที่ฉลาดก็ช่วยโอกาสกำหนดความคิดนั้นจิตคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้คิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้เพียงแต่รู้ว่าจิตมีความคิดอย่างเดียวเท่านั้นรู้แล้วก็ไม่ต้องไปช่วยจิตคิดอะไรเพิ่มเติมหรือวิพากวิจารเป็นแต่เพียงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นก็รู้รู้รู้อยู่อย่างนั้น และสิ่งใดดับไปก็รู้เกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นอนัตตาอะไรทำนองนั้นไม่ต้องเป็นึนคิดในขณะนั้นถ้าหากเรานึกคิดละสมาธิมันจะถอนขึ้นมาอีกเราจะไม่มีสมาธิควบคุมจิตของเราให้จดจ่อดูความคิดที่เกิดขึ้นนั้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักปฏิบัติพึงระวังให้ดี เมื่อออกจากสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้วเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิอย่าด่วนออกจากสมาธิทันทีทันใดให้ตามกำหนดรู้ความคิดของตัวเองเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อยออกจากที่นั่งสมาธิในเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิแล้ว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 หรือการพูดการนึกการคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะจดจ่ออยู่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่าสามารถให้จิตเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้